ยาซีเรียกเรื่องกระดาษหนักมีเรื่องเล่าว่าชายผู้หนึ่งเข้าไปกราบทูล ระบายความทุกข์กับสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์หนึ่งเขาเอาแต่บ่นว่าหนักครับจุงนี้แย่มากเลยครับเมื่อสมเด็จถามว่าหนักเรื่องอะไรเขาก็ทูลเล่าถึงปัญหาต่างๆที่รุมร้าวชีวิตสุดท้ายก็ทูลว่าตอนนี้ผมจวนจะแบกไม่ไหวแล้วครับสมเด็จฟังสักพักก็รับสั่งให้เขานั่งคุกเข่า และยื่นมือทั้งสองออกมาข้างหน้าแล้วพระองค์ก็หยิบกระดาษแผ่นหนึ่งมาวางบนฝ่ามือทั้งสองของเขาแล้วรับสั่งว่านั่งอยู่นี่และอย่าขยับหรือไปไหนจนกว่าข้าจะกลับมาจะเข้าไปข้างในาศัก์ประเดียวเขานั่งอยู่ในท่านั้นเป็นเวลานานแต่สมเด็จ ก็ยังไม่เสด็จออกมาเสียทีจนเขาเริ่มเมื่อยล้าประดาษดูจะหนักขึ้นเรื่อยๆจนเหงื่อเริ่มออกในที่สุดสมเด็จก็เสด็จเข้ามาประทับที่เดิมแล้วทรงถามชายผู้นั้นว่าเป็นอย่างไรหนักครับพระเดชพระคุณเมื่อยจนจะทนไม่ไหวอ้าวทำไมไม่วางมันลงเสียละ่ะ สมเด็จรับสั่งก็ไปยอมให้มันอยู่อย่างนั้นมันกนหนักอยู่อย่างนั้นนะสิมันจะเป็นอย่างอื่นไปได้ยังไงกระดาษแม้จะบางเบาแต่ถ้าไปยึดถือมันนา น, านๆก็จะกลายเป็นของหนักสู้ไม่ไหวอารมณ์โกรธเกลียดท้อแท้กลัดกลุ้มแม้จะจับต้องไม่ได้ แต่ถ้าไปแบกไว้ทั้งวันทั้งคืนใจเรานั่นแหละที่จะแยกตรงกันข้ามกับหินก้อนใหญ่ตราบใดที่ไม่ไปอุ้มไปแบกก็ไม่มีวันหนักเป็นเพราะไม่รู้ตัวใช่ไหมเราจึงเผลอไปแบกหรือยึดความทุกข์เอาไว้ทั้งๆ ท, ที่ยิ่งแบกยิ่งยึดก็ยิ่งทุกข์แต่ก็ยังไปแบกไปยึดอยู่นั่นเอง เพราะทำจนเป็นนิสัยเสียแล้วความรู้ตัวจึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะไขไปสู่หนทางแห่งความไม่ทุกข์เพราะเมื่อรู้ตัวแจ่มชัดเราก็ประจักษ์แก่ใจว่าได้เผลอแบกยึดอะไรต่ออะไรไว้มากมายถึงตอนนั้นการปล่อยวางก็เกิดขึ้นได้ไม่ยากฉะนั้นไม่ว่าทําอะไรอยู่ก็ตาม ควรหมั่นมองตนสำรวจจิตเพื่อให้รู้เท่าทันความรู้สึกนึกคิดอยู่เสมอความรู้ตัวนี้แหละจะช่วยปลดเปลืง้งสิ่งหมักหมมที่ค้างคาในจิตใจจนทำให้ชีวิตเบาสบายวันนี้สิ่งสำคัญจึงไม่ใช่คำถามว่าเราได้อะไรมาบ้างแต่ได้แก่คำถามว่าเราปล่อยไปมาก แค่ไหนแล้ว